พอปล่อยมือนะจากเีริญแล้วหออ้าวพูยที่นี่เอาเลยเนยเริ่มเนี่ยเพราะมันกันหลอดมาหลายปีแล้วแหละวะเอาไปนี่มถึงไหนถึงกันอุัวเริ่มแล้วเริ่มแล้วพนี่เครื่องใหม่ของเมืองไปหลายคนก็สงนใส่แล้วเนี่ยแล้แล้วหานล้อีกฉนนั่นจะขึนราคาเน่ยจะขึนนาคาเลยจะไหน อ้าวแลขึ้นฟาดมั่งดิวเขาว่าจะทําอะไรอ่้ะอ้าวมันได้หมดเป็นข่อยก็ไม่เห็นมงดิวอ่ะทานก็่นก็บุกง่ายทานแล้วอาถึงไหนถึงกันมันหมดจริงจไม่มีอะไรค้อกับหัวผมยังมีผมจะตัดลกรองเนี่ยเอาผมเป็นคนสร้างให้ท่นทําเองน่ยมมืเนทีลไม่ได้ดอกกว่าทนว่าไหนจะต้องอย่างนั้นนะเอามดเป็นหมดยั่งเป็นยั่งมันจะเป็นข่อยคนก็ไม่เห็นมั่ิว่ะมาทํายเพื่อโลกท่านก็ มันพูเอาจริงจังเนี่นกับไปื่องมุ่งเนี่ ย, ยตัวอยงนี้ก็มาถึงมือเขามาก่งาาองเจงเพ่ยนี้อย่างน้สอง ป, ปีสา ม, มปีคนไปคนมากอย่างไหนเนี่ยเอาฟันตองไปรถทันตัวต้องนำตัวเนี่ยแล้วนร่เป็นปฏิหารนันก็ได้สามเือนเรเรียบหมดเลยมันพืด ง, งานเจงประหยัดด้วยเนี่ยมันแคนก็ตงได้เงินจากเขาจะไม่เห็นเขาเห็นพือนหนูก็ได้ยัง แล้วบาดเดียวโดนแล้วเ้าวไม่เลยน้ต่อห้ากินนี่นอีเห็ดี่ยวให้ทั้งทู่ทั้งกิงด้วยเราเนีเอาห้าออเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบเพิ่นสร้างวานงานเพิ่ น, นสร้างวานเคลื่อนมาได้น้าบอกเลยท่านอาจารย์านี่ไม่เหมือนไผนญญาวันรต้องทำยังเพิ่นสร้างนาเคลื่อนมาได้นะ้าบอกเลยต้องเอาตามแบบแล้วสร้างเช่นะปูนผสมหนึ่งองสามต้องสหสามนไต้องยังนันยงนั้นยงนั้นได้เคลื่อนน้ามาหมดเป็นหมดไมเลีอก แมันสงสข่ข อ, ของใจได้าก็ลองลมาลพรเราบอกไวไ้แ้เงินเโ อ, อนไมไดให้มาบอกไม่ต้องให้เกรงใจไว้ร่างแล้ว เ, เปิดไว้แล้วนี่เขาึงในลานคําทั้งบุนว่าให้สั่งก็คือเปิดทั้งนี้ไ้เเนี่ยถึงงยถึงขันหมดเป็นหมดนำมันนุ่แย่งเองทีมันผลมันจะตายออซึ่งเชื่ื่ออั น, อน ไม่ใช ja, ่ปั๊มมือหนึ่งเลยนะครับุ้งต่างเนอะครับอ่านอาอีกมือหนึงเนอะนเลี้ยงผมลุกคืออันนี้มันมันมันมันมาได้ปั่นเจดียรเยดีย์โหเอาจริงจังเนี่ยอันนี้ก็กเขาคิดว่าเพราะของเรามันเป็นเป็นพื่นวิญญหรือว่าก็พ่อว่าพ่อยนี่ยมันของเราเนมันเป็นพื้นเลยอ้าวจันทรเขาก็กว่าเด้๋วบางทีเอาไลน์ทีเอาประกาศนั่น อันนี่กัพื้นฐานคือว่าเราเสือเข้าบริสุทธิ์ในหัวใจเล่าเองเราบ่มีอย่างกับอย่างมาจิตจังสั้นจังสี่แบลโลกโคนเราแบบนี้นี่ไม่ได้ผมอ่ะทั้งว่ามันเหลือนะคุณก็พูดเขาเขาเล่าน้าหนักมันเสร็จมันเหลือแค่นี้เราจะทําประโยชน์จังกุญยโลกพืงทานจะของพุทธทาสบคัดของห้ยแล้วได้ร้องพ่อแล้วถ้าจานนั้นทำอะไรได้พระเจ้าก็เปิดผมไม่มาจัดของนี้ของนี่มันเราจะทํานัม่นจริงนี่เราบ้หวังที่สั่งผม นเท่ากับเป็นไปเาดูแลจะหมดนึ่วันเป็นตายยังแล้วดูมดขอดชมคมเมน่นอยอย่างมันเป็นเหมือย่งเหมนยังเราทุ่มซะหมดแล้วพเห็นเล็มด้ยย่างภายนอกคุคทุ่มแล้วจึงทุ่มลงันเป็นประโยชน์แก่โลกหวังทาความจาเป็นอยู่วันไหความทุ่อยู่ห่างจาเป็นมากจาเป็นน้อยความทุงที่ตรงนั้นแก้ทั้งกายที่โลกอาศัยกันกยชนย์จ่วางไหนพนึงวีหนึ่งเพนึงีหนึ่ ง, งพ่อเลยอาศัยกันคนไหก็ต้องอาศัยกันไปกันเะ มันมองไม่เห็นอย่างตายแล้วต้กระดูกก็เป็นเวลาสิ้นายนะงูยังกั้งสิเดยวมันก็ได้กังสิอาศัยย่งนี้แน่แม่ถ้าแบกกระู่ิก็เคยศีวอาศัยมันกังอย่างมันพมันไหใส่แบบขวันมือกันมันเหมือนกับอุ้ขั้นจะพูดเมรากระสอบเหมือนเอาสอบเอากระสอบท้ายๆมากมัดท้ตเนี่ยอัหนักอกระสอบก็เป็นกระสอบนี่สิเดว ช่ก็เนใช่เง้ยวเรากยุ่ในกลงกลางกัยุ่งท่านเดียวมันว่านกระสอบไส้มันหน่ว่าเป็นไส้อันนี้ขันดื้อกันแล้วก็กระสอบขันขันกันแล้วมันว่ามันเราเราวงง่ามนขันที่แน่ไม่ยุ่งกันพ่อจังหวะอะไรอือันมืแล้วนี่อันนี้พินายณาเพื่งเพิ่งว่าเทยกันดขึ้นันนึ่งฟันได้กับฟันไปใช่ได้กัใช่ไปใช่ไปกับินไปใช่ไป ไอ้ต้นนาวห้างหนีกันไหนใช่่ก็ใช่ไปพี่กันเนี่ยตามันพ่อแท่ดใส่ไปมันสารสร้างก็ใส่ไปตามเรื่องมันใช่ได้อ้อพ่แ่ดใส่ไปอ๋อมันตำรวจกับจอมันตำรุจอันนี้สตำรวจงหาเรามาในตำรุจนี่เนี่ยเครื่องมือตำรวจตงหาเรามาในตำรุจเนี่ยมันขาดนีหควใจเงินวางเมือนมื้อเรเลิกบ่มีมันใช่ได้เ้าถิ่นพัวแบบของแรงเราเดี๋ยววะนี่มันหนักไหมอันภาลัเขาเรียกเป็นสำคัญท่า ไปนั่นนะมันเป็นงั้นจริงจริงได้กี่ไม่หาพาราอันยังไม่นอกจากนักก็อุปทานยึดมั่นที่มันมันแล้วยังไม่แล้วอือมันนับไปตลอดความรับผิดชอบว่าเป็นพาระเฮาจะไปงั่นแ่ะมันนับแตกต่างกันแต่ว่าจิตไปแบกหรไม่แบบจิตยึดหรือไม่ยึดเท่านั้นมีต่างกันได้ลองความรับผิดชอบสรรชาติญาณทั้งมดนั่ง เป็นน้ำมันเองต้องปุงต้องแต่งข้าว ม, มเดินไปนี่เหมือนกับงูนี่มันโดดถึง <pizzas> มันเลยมันชาวญาตตายที่สุดไม่ต้อยังมันําไปเปิมันเยอาแล้วก็ร้อยอะมีเหมือนกับงูนี่ม <im 20> <im 20> ันก็โดดถึงมันนั่นาตญานิมันรับผิดชอบเจ้าของอม่ก้าพูดว่าว่าได้เป็นอาหารอหันก็ตามกล้าพูดตามหลักธรรมเอา เมื่อวางพระหลักฐารก็บุกชุนเดินน้ำไปน้ำกันนี่นะทีนี้ญาติจะตป็นเป็นปตามใสก็รับผิดชอบหรือสันสานญาติรับผิดชอบนี่เหมือนกันผมว่ากล้าคนี้เขาตั้งเดินน้ไปนี่จะเหยียบน้ํเขาสร้างเดี๋ยวให้นน้ำกระโดดผึงเลยถ้าจะเหยียบรมันหีเห็นล่างไหมว่ามันงูเขาจะาไปงูกระโดดผึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันผิดกันจิตกันเบื่อผึ่งกันผู้หนึ่งร่อนวูนะตกใจเสีย ทุก ย, า ย, าย่างอาย่านเหนต่างกันคนนึงมเป็ น, นังสันโดที่กันหลังบคือกันเนี่ยอันนี้ปิยานี่งเหมือนกันเหมนกั น, นย่ า, ยานเหมือนกันมือ น, น, อออ น, นุ่มูม้ือนียเป็นล่มโ่อลมยงวพลิกนใบไมย่หอนอยงมันควรลม ย, ลมยลมลมมัลมมันบวดควลมนันตาสู่นเอาตลอดยี่ห้อน นั่นกันดัย่างหมื่นป้าวเลยไม่ต้องคลิกปุ๊บเลยนะเมื่ อ, อย่มลมเอาจนน้นมาสุดไปว่าไดไดมม้เมือย่ำลมอันเหมือนกันเราว่าว่างผู้ศิลย์ชี้เด็กกับผู้ประสิทธ์เหมือนกันไปพิจตใจแค่นั้นหัใจนั่นผู้เป็นพาะสัตวย่างอะแต่มันพระสัตวนั่างอั น, นอต้งกันความนักเบาของจิตแสดงผลขึ้นมากหนึ่งมุหนี้ยัง เจ็ด ย, ย, ย, ย่างน่างมั้งมียังเนี่ยคนหนึ่งนี้หนั่งหานที่เหนือน้าคืเย็นที่หนุนห่งห น, ห, นหน้าหน้านเฮ้เ ย, ยปไปเลอาคุณบอยเอใใส่เยนหววกขึ้นนของเขาบอกเป็นเตเทียน เ, เนี่ยยงนาด้งสามน่โอยร้อย พปยังมองเห็นอยก็รอดท่านอาจารย์องเดียวนี่เดียว่างเหนดีคนเห็นว่าเด่นนี้กาลังพาลน้ำดูเห็นกาแพงทังลงเลี้ยนนอกจากจะดีมาแล้วที่แรกก็คือว่าจดีแล้วที่แล้วที่เห็นหนองนี่ยังแบ่งไหนเลยร่อนแล้วพระท่านอาจารย์บอกว่านห่นไปแอบตัวมงวนไปเนี่ยนี่มองเหนดีมือไปว่าหาเป็นว่างัง อันเป็นเยอนลไมเขาเอาหลงนี้เอาหมือนเราไม่คำไม่แบบไม่อะไรผงยากผงผีน่ะเงินเท่าไหอ่ะเงินเท่าไหร่เรางนประเทศจักหางนัลโหว้ายเงินทังวัดนี่เงินแปดมืนบาทตอนนเงินเท่ไหนได้เขาก็เลยว่าเอาเงินห้าแสนหักเ่อวานบวกกับแปดหมื่นเป็นสองแสนกว่าพ่อไปเขาจเข่อไปได้เว้ย เอาล่ท่านเนี่ยมางานผมหลวงปู่อ้อนเดาแต่เอาละท่านนี่มบเรื่อคเริ่มคุณมีคนสร้างมาเลยมก็บอกคุณได้เริ่มเราไดวคุณได้จรางิโอนให้เงินมะโอนเข้ามาแล้วเพราะเขาเอาวันที่คุนได้หลังจามือให้เขาลงวันที่เขาวันที่โอนเงินเขามาได้วันที่จะหามันนั่นเอาวันที่เขาเลยมาท่านนั่นเองท้งที่สร้งอไรเขาอนเปนความ มันจะสร้างของเี้ยันอยากมนจะสร้างนจะสร้างให้แสนห า, า, านแล้วก็เอาจาเป็้นเอายจังตูหน้าอีกอย่างนี้ตอ น, น, น, นนะอีปพนธใบนั้นมาให้มงมันขี้แสนกว่าได้ขี้แสนตอนมงขี้แสนแปดมคิดนั่นมือของนายได้แ่พไปด่ า, ย า, ดาอย่างไก็ไม่รู้รจะค่อยค นี่ครับเทานั้นเด้เทากิที่ดกับกลุ่มแท่ง เ, ขขงเด้นั่จะ อ, อวดอดีว่าจะเอาาถิ่นไปว่รอดเด้ต้มี้อยทีใช้กิ่นทันนนะะนง้งกันเป็นนี่ใชมาตราดีเฮ็ดยังยังกลินน้ำมันนั่นนี่เรอเฮ็กินไ่ได้ที่เฮ็ดยังขืนบ้างไปมาไปว่ารอดผมแเ็ถิ่่น ว่าเป็นเรื่องแบกด้วยพนุกรดีเหเ็นหรือพนุว่าเห็นดีด้วยแล้วก็น่มมาฟังเขาเป็นทาชินทิ้ิ่นม้องสารป้าซอยเหรอไ ม, ม่ใช่เขาไม่จะหาเรื่องแบกอยกแล้วเนี่ยป้าซอยได้ว่าบอกได้ แล้วหนึ่งมันหมดปลายในทางหมดให้ปเราหัวเดยเมันคอยหาว่ดีด้วยันในเช่นกันนเกิดขอกันอย่าน้การมัล้านอาขึ้นขึ้นข้อล้านหาของซ้ำกันลวงพ่อจะได้กันามันแล้วเลยมันจนพ่อผมเป็นมาชิดแล้วในบ่ดีม่ะบ่จะเสียเท่าไงก็จุดแท่งมันเป็นเป็นใช่ไมมุ่งสังกษีเขาก็ะบอกอาันเขาก็มุงก็เบื้องไรเ พระต้นเนาะว่าเอาไมซอวันทัาเดืสิบสี่สี่ันต่อรถิ่นแ่ะน้องเลี่สี่ตอเบิกยันองไอ้ผึ้ยอ้อาร์บ้าก็มอแบาแหลคอยยังควนอันนี้นมันดีอร่อเด้อป่ากันมาเสียแต่เฮฟเฟ่นละ่ะต้องมาถามอีกัน้งเบิกห้าช่างเขาอรนัเป็นตัางบก้าบบกาย พอสร้างอะไรของดีมันควรจะได้ของดีกันนี่ไรเอา ม, มันใหม่ใน่แผ่นเขาก็ใหม่มันมันนั่เขากระได แ, แต่มันบรีสุทเขาก็จะออกแล้วเว่ยทั้งคำมู่งทั้งกรสีอย่างนี้เขาบอก <c oughs> มาจากไหนตอนไหนหให้ดูกันนะพระตอนขอวัดปฏิบัติให้ดูกันนะสามวังทีกันว่าใครขี้เกียจเมื่อไรนะนี่พอจับได้ละไล่นีทันทีแล้วไม่มีูนะ <S <S ผมพูดแล้วเล่นมาเป็นเพราะสอนเล่นกขนไม่ไม่เคยสอนสอนจริงแล้งน้ น, นพูดนาหนหลักแทบล่วงแทบตายพูดให้มาให้หมู่เพื่อนแกล้งหามห น, นุนมีนะเพราะผมเคยผ่านมาแล้วอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมโอเคแตก เพื่อให้ความเบาบางแก่ท่านเราหยุดฉากหลังแต่เรามันหนักนี่คอยขี้อยู่นั่งกระเพาะกำเนงมังวงมันขี้เกียจจริงๆมันหนักหมู่นักเพื่อนมันขีดไม่ขวางหมู่เพื่อนอ ย, อยู่ในวันนี้ก็แน่ใจว่ามันมีนะแต่ถ้าเราจับได้แล้วเอาเลนะผมจัอยากมันยังมาขี้เกียจขี่ขัน้น มาขวางหมู่ขวางคณะให้หน writing, compra, <S <S years, ักอึ้งไปหมดทั้งวันมันได้เลยของละเอียดคอยยี่บอกสั้น้า่อไปอย่างค้ารับปฏิบัติใครควรทำอะไรๆทำช่วยกันอย่าให้ได้บอกได้กล่าวมันหนักนะถ้ามาใหม่ๆนั่นแะมันขวางหมู่เพื่อน ไม่มีเจตนามันก็ขวางจะว่างไนไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาอะไรอาญาสิ่งที่ผิดมันก็ผิดอยู่นั่นเราเห็นนันถึงหนักใจผู้อยู่เก่าด้ทยทำๆแต่ต้องตัดตายผู้ที่มาขีดมาขวางให้เพื่อนได้แบกได้หามมันก็มีแบกคนทั้งขี่มันหนักยึ่งกว่าแบบอะไรอย่าให้เห็นนะในวัน อุดมสั่งสอนลักเกี่ยวข้องชาชนผมก็นหนักพอแล้วสำหรับผมเองนอกจากนั้นอยู่คนเดียวก็ยังอยู่ไม่ได้คนม้มก็อาจก็ทําถามมาต้องไปตอบคนอื่นทำแทนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปทำในต่อเ น, นื่อนั้นนอกจากนั้นคนนั่งก็มาคนนี้ก็มา มือชาก็เข็นแค่วัานเลยอหนักพอสควรถ้าอาเทาเวงจอุดมรอบได้เลยคนก็อาร์คนพูดตามความจริงแล้วไม่ได้เปินใจใครทั้งนั้นนะสามแดนตัวส <c oughs> ัตว์ทำนะคนหนักก็หนักคนเบาก็เบา ไปรูปหน้าปลาจมูกอยู่มันพ oh, ูดไม่ได้เออเรื่องอะไรเอาอะไรไปเนยเข้าเยมพอมันพูดเลยชั้นนี้ยชั้นเอออยากบุกมปันนี่เลยเกิดจงมีอะมันเริ่มแล้ว มึงใหญ่ไปดูไปข้างนี้น้องเขาขว้างจ้ะ